ม, นนา ม, ามันเป็นเหตุปัจเจกทั้งคันในการทำความเข้าใจหรือว่าธรรมาการทำธรรมะมีแต่ความเจริญฝ่ายเยวไม่มีความเสื่อมมีแความเจริญฝายเดียวเป็การสะสมสุดหแล้วก็เวลาปฏิบัติไปบางคนได้แต่สภาวว่าสภาววได้แต่ว่าปัญญาไม่เกิดพอปัญญาไม่เกิดก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าสภาวะมันมันหมดเป็นไม่ว่าจะเป็น ความสงบตัวโลตัวเบาการทางานวัติ ส, สมาธิทํางานอยู่แต่ว่าใ น, นเมื่อไม่เข้าใจนะปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงชีวิตได้มันก็ทุกอยู่แต่สติทํางานอยู่บ้างมันจะมาว่ามันก็พยายามปลดปล่อย่ให้ตัวเองทุกข์แต่เพราะปัญญาเราไม่ถึงเราก็ไปคว้าสิ่งที่มายึดมาเหนี่ยวนั้นเมื่อในบอกว่าจะเราะเริง ปฏิจจสมุปบาทโดยพิธีการข้องพุทธพิธีการข้องปฏิจจสมุปบาทแบบที่เราเข้าใจกันได้ไม่ต้องเอาตำลามาอธิบายเยอะเพราะอะไรก็ราบางอย่างมันอยู่ไกลตัวเราเกินไปต้องเอาสิ่งที่ใช่อุปมาอุปมาสิ่งที่เราสามารถรู้เห็นได้ประเด็นว่าชาวคนมงชาวประมงทำงานน้าปาอยู่แต่พอจะอุปมาอุปมาเรื่อง การทําการเกษตรอย่างอื่ น, นี้ก็มองเห็นภาพในการพุทศาสนาเขาเกตุโดย ก, การอบ ร, รมอุปมาอุปไมยพุทธเจ้าไี่เป็นนักอุปมาที่เยอะที่สุดเพราะว่าหลายคนบอกตรงๆเไม่สามารถรับรู้ได้ไม่สามารถเข้าใจได้ก็ต้องยกอุปมาขึ้นมาให้เข้าใจอุปมาเป็นการเปรียบเทียยนให้มันเห็นชัดขึ้นเรื่องที่หนึ่งไม่เข้าใจ ย, ยกมาเรื่องที่สองเรื่องที่สา ม, สามเพื่อหเห็นชัดขึ้นเช่นคนถามว่า พระอาจารย์โลกหน้าไปกินไหมภพชาติไปกินหรือเปล่าถ้าบอกว่ามีไหนระดักฐานไม่เชื่อีถ้าบอกว่ามีก็รืองตราตา้องห า, าลหลักฐานมาดีหญ่ถ้าบอกว่าไม่มีก็เสียหายทำไมเสียหายลายจะเสียหายตรงที่ใครก็ตามที่ไม่เชื่อวัตนรกมีสวรรค์มีคนนั้นก็เป็นกลัวกรร ม, มกลัวบาปแต่ทาสิ่งทำชั่วทําไม่ดีไม่เงาเพรไม่กลัวว่าผลของการกระทําไม่ดีนั้นจะตามมา แต่บุคคลผู้ที่เขียนเรื่องพระเจ้าเองหลสงเกจิเปน็นบอกเลยถามถ้าถามเคี่ยงว่าพระเจ้ามีจริงไหมเจนไม่มตอบเจนตอบคำหนึ่งว่าพระเจ้าจาเป็นต้องมีคือจําเป็นต้องมีครัมีหรือไม่มีไม่รู้แต่จําเป็นต้องมีเพราะอะไรถ้ากลัพระเจ้ามีจริงก็กลัวหวาดกลัวกลับจะไี้พูดถึงเรื่องอปฏิจจสมุปบาทที่สามารถอุบายให้เราเข้าใจได้ชัดเจนเริ่มต้นจาก อวิชาแปลว่าความไม่รู้ถามไม่รู้ยังไงไม่รู้เท่าทันความคิดตัวเองไม่รู้เท่าทันความหลงแต่ละความคิดตัวนี้ไม่ใช่กินปยยิญญาไม่ใช่ปัญญาญาแต่ของความคิดที่เร า, าเออคิดตัวตาเขาเองคิดีัเราเห็นสัมผัสจากอายตนะแล้วเห็นแล้วเหตุปัจจัยยังด้วยความโกความโลงความหลงเรีว่าอวิชาเกิดอย่างเช่นถ้าถามว่าเราทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาจากอวิชาจริงไหม ก็จริงนะทุกคนเกิดมาจากวิชานะถ้าไม่เกิดจากวิชาคือไม่มีใครนัางอยูน่นี่เกิดจากพระหานนะั่นไม่ได้ว่าข้าเจ้าเป็นปลูกพระอรหันต์นะถ้าพระอาหันตแล้วก็ไม่มีนะข้าพเจ้าเป็นลูกพระอนาคามิไม่มีพระอนาคามิจะไม่มีตัวคนธรรมดาก็เกันคนธรรมดาที่เป็นอนาคามที่กับถึงจะจับแต่งงานกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างเช่น ท่านอุปมาบอกว่าเป็นสป่พระกาสป่านี่เป็นคนที่ไม่อยากแต่งานทําไร่ทําสวนคนทำบางคนทําร้านอาหารทําแล้วเห็นการขาดสารชีวิตเยอะเกิดคนรวยไแต่กาสป่าที่เป็นคนทํามีไร่มีสวนเยอะทาไร่ทํานาก็เห็นเขาไถดินพววดินขึ้นมาสัตว์มันตายเหยียบไส้เดือนขา ฉีดยาฆ่าแมลงมีการฆ่าสับตัดชี่ไปเยอะที่เกิดความเบื่อไหน่จนตอนแรกก็ม nah, ันเบื่อเยอะตอนแรกจะเป็นหนุพ่อแม่ก็หาภรรยามาให้หาภรรยามาให้ก็อยู่ด้วยกันด้วยความเบื่อหน่ายทั้งสองคนนะพอเบื่อหน่ายตั้งสองคนแล้วก็ชวนกันออกบวชเนี้ยทางคนตามไปบวชแต่ที่เห็นชัดตอนนั้นคือเรวัตักนะครับ พระเวลวต่านนี้มีเรื่องอเราที่หนึงเลวตะให้เป็นลูกเป็นน้องชายของภาษาลิบุตรคือภาษาลิบุตเป็นพระรหันแต่ไม่สามารถโปรดมิดามารดาไนดะ้พ่อแม่เป็นนิจฉาที่ผิดนับถืออีรัทธิหนึง่งเห็นว่าลูกที่โกรดมากเพราะอะไรเพราะเอาร้องน้องสาวเอาน้องสาวน้องชายนี้ดกบวชหนะแต่พ่อแม่ ไม่สามารถที่จะบอกได้จนวันสุดท้ายแกมาบริญญาพานที่บ้านจึงพ่อแม่จึงจึงเห็นเทวดาลงมาต้องแสดงบางคนต้แสดงที่ปฏิหารที่เชื่อแต่บางคนธรรมะปฏิหารก็ธํามะปฏิหารก็เชื่อแต่เราก็ต้องแสดงที่ปฏิหารเขาเจ้าหล้าที่เอะต้องแสดงที่ปฏิหารนี้ที่แค่ได้ผลิตวัตถะหรือเปล่ หลังจากได้ฟังธรรมจากพี่ชายก็เกิดควมเบื่อหน่ายรรลุกพระนาคาวเลยน่ะอายุยังน้อยอยู่ะสั่งไปเกิดความเบืออหน่ายไม่อยากแต่งงานแต่แม่แม่แล้วน้องน้องสาวน้องชายพ่อพี่ชายตัวเดีนนี่คือบทเหมอนกันเลือดเลือดแด่เลือดแดดเลือดดาลูกชายคนเล็กคนเดียวทํายังไงเนี่ก็ฟังธรรมพี่ชายทห็พี่ชายไป็วดหมดก็ฟังธรรมเข้าใจไม่อยากแต่งงาน ที่นี่แม่กบัวหนุ่มเนี่ยยืมไปกบพยายามกับทาทุมที่ทางเพื่อจะจุดมั่นแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปมั่นผู้หญิงหแล้วขณะนั้นก็อนตอนแรกก็เขียนหนังสือไปแล้วก็เขียนหนังสือหนาคู้หญิงให้ฉันเอรู้สึกว่าเป ม, มีความยินดีในทางนี้เลยส่งถ้าคนใช้ออกไปแล้วผู้หญิงก็เช่นเดียวกัน ลุกเกือคตเบอร์ไรอะไรไม่ลุกไม่เคยเห็นตาเห็นตากันก็ส่งหนังสือมาหาต้องบอกแค่นั้นก็ไม่อริงจีครับำที่ทีนี้พอหนังสือที่ส่งคนใช้มาคนแช้มันไปเจอข้างไปเจอกันระหว่างทางมันก็เลยมาจากตะกุนไหนไมาจากตะกุนนี้มาจากตะกุนไหนไก็ถามกันก็เลยรู้ว่าตึกไหนทั้ง ส, สองคนเขียนมาเขียนมาว่ า, า, วาอย่างไรบ้างก็บอกเปิดอ่าน พอเปิดอ่านแล้วรู้ความจริงว่าโอ้โถ้าจดหมายจะถึงทั้งสองคนไม่ไแต่งงานก็แ น, น่นอนคนใช้ตกงานแน่นอนก็เลยแปลงสารนะเพราะฉันได้รักเธอมากนะคนนั้นก็รับกนุสันแปลงสารให้สุดท้ายก็แต่งงานวันส่งตัวทีนี่วันส่งตัวพระเรวัตต์ต้องเดินทางรู้สึกว่าเดินทางไป ร, รับตวัวสาวเลยในิจใจเขาคุ้นคิดตลอดเวล า, าจะทํำยังไงจะ ไม่อยากแต่งงานทำยงไงจะหนีออกบวชได้ก็เลยวางอุบายระหว่างคนก็แห่ไปต้องนั่งบนเราก็นั่งบนอะไรนะั่นกิ่งแอสเรียงนั่งไปก็วางอุบายท้องเสียท้องเสียครั้งแรกก็เขาก็ดเฝ้นะตอนแรกก็ ข, ขึ้นมาลงไปอีกครั้งสองก็นั่งเฝ้าครั้งสามก็ไม่ไปเล่นเด็กไม้แบบนานหน่อยเนี่ พอคร้งสามน้องเขาหนีเลยหาครั้งพอนานๆตามหาไม่เจอแล้วหนีไปนะแล้วก็เลยมกบอกว่าหนีไปแล้วก็สายในบุก็บอกรู้ว่าน้องชายจะหนีด้วยนะบอกว่าถ้าน้องชายท่านมาพระอู้ใดหนต้งตามบวชให้เลยผ้เก็บวชให้แล้วก็เป็นผู้ที่มีมีอิธิปาฏิหาริย์นะพระอิพัทธ์นะพระเจ้าเสด็จมาแกนจูป่าตะเคียน ไม่เคยไปอยู่บ้านเลยอุูป่ากินประจำหลังจากออกบดเนี่ยเอาแล้วผลิตจาเสด็จมาเป็นสี่ร้อยห้าร้อยลูกเนีลมิตรกุฏิที่อยู่ทบตุ่มเลยความกลับไปแล้วว่าเป็นป่าไม่เดินความเบื่อหน่ายท่านใช้คําว่ายิ่พิทานไม่ใช่เบื่อแบบเรานะะเบื่อลูกเบื่อสามีเบื่อภรรยาเนี่ยเบื่อเบื่อเบื่อจนอยากไม่ลองแต่ว่าไม่ค่อยเบื่อจริงๆเบื่อแบบ ถ้าเบื่อแล้วก็จิตก็ไม่เกิดความเมื่อเบื่อไหนก็คลายตั้งไหนฉะนั้นเราทั้งหลายจป็เกิดจากความจากอวิชชาจากอวิชชาไงนะพ่อแม่เจอกครพอเจอปั๊บพอเจอไม่เจอธรรมดาถ้าเจอปั๊บก็ปูแกล้งต่อเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนโลนิกขะถ้าบุคคลใดก็ตามเห็นสัตว์ว่าเห็นได้ยินสัตว์ว่าได้ยินได้ฟังสัตว์ได้ฟัง ได้กิ students, inks, lion, ่นสัตว์ได้กิ่นได้รสสัตว์ไดรสสัมผัสสัตว์สัมผัสรับรู้สัตว์รับรู้คนนั้นไม่มีทุกคนนั้นจะไม่มีไม่เป็นคือมันไม่มีไม่เป็นไม่เปลี่เป็นอะไงจะไม่จะในกิจในสุราวด้วยนะเปนสุราวด้วยกันดัะนั้นพอพ่อแม่เห็นครั้งแรกก็เกิดอวิชชาแล้วคือรู้ไม้องทานอารมณ์ตัวเองนะครับใช้คำว่าเริ่มแล้วนะจากอวิชชาเห็นภาพแล้วไม่เห็นธรรมดาเห็นคนอื่นก็ธรรมดาแต่เห็นคนเนี้ย่เห็นคนที่ เจ้ากรนายเวนกันน่ยหรือไม่อาคนที่บุกเพสันีว่านะบุคคลจะรักกันได้พระเจ้าท่านประมาณหนึ่งเป็นคนที่เคยสาบานกันมาตั้งแต่ความก่อนสองเป็นบุกเพบุกเพคือเคยอธิษฐานมาก่อนแล้วก็อันที่สามก็คือเคยเกื้อกูลกันในพระชาตินี้พวกนี้แต่ถ้นเราคอเห็นแล้วเนี่ยเห็นเป็นร้อยเป็นพันคนก็ธรรมดาเห็นคนนี้แล้วมัน มันสรุปใจอย่างนี้มันก็เรียกว่าเกิดวิชาเกิดขึ้นครับสองพอวิชาเกิดข้าบแล้ว เ, เห็นเห็นแล้วเรารู้ไม่ต้องทันรู้ไม่ต้องทันของคิดตัวเองะเราเห็นอะไรตั้งแต่เห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วอยากเป็นอยากมีคือการจสีส์ก็เหมือนกับเหมือนกับนิ้วมือเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกิดมันกับสังขารแล้วก็เกิดไรอย่างนี้ไหลอย่างไรแล้วมันจ ะ, มจะเกิดสังขารี่เกิดอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสกานวิญญาณเกิดอย่นี้ แต่แแว่าปฏิจะปฏิจะปฏิจะสว่างไม่ได้เกิดนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไปเรื่อยนะจนจนชาติชรามแล้วะนะทีนี้จากอภิชาความไม่รู้เราแนละไม่รู้ไม่รู้เท่าทันความคิดเกิดอะไรต่อมาสังขารเห็สังขารการปูแต่งมันคิดต่อเห็นเพราะล้า ม, มันคิดคิดอยากได้คิดอยากดีคิดอยากดอากีอยากเป็น แต่มันูแก่ต่อแล้วจะทํายังไงต่อน ะ, จ ะ, อะอนะจะวางแคนนะมีโครงการนะโครงการยังไงนะอันะนยกปูมายมันเนรน้อยรุ่นหนึงอยู่กับพระเถระนะเนรน้อยไปต่อหลวงพ่อติดตามฟ้าอะไรเนี่ยปตีแล้วเนีพระสงฆ์จะนอนกับอนุประสัมพันได้ไม่เกินสามปีไม่ไว่าจะเป็นเนรเป็นอยู่นอนที่มงที่บางเดียวกันะเนรน้อยนี้ก็ตามอุปถา พระเถระอุปถาไปที่นี่ก็เลยอพออุปถาไปแล้วก็วันนั้นก็เลยเรียกว่านั่งบีญให้พระเถระอยู่เมื่อเช้าเป็นเทปไบา์เป็นเทปไบท์ผ่านมาแล้วก็เลยอาจจะเห็นคนที่สูกใจแล้วเรามานั่งบีญให้พระเถระเพื่การตามนะนั่งบีญแว่บอกาเราเริ่มแรกจากคิดจะสึกกันก่อน ที่จะสืบไปไปแล้วก็ไปซื้อได้ได้เม็ดตะได้เม็ดง า, นนะดงาแล้วก็เม็ดถั่วเม็ดงาไปปลูกปลูกแล้วก็ปลูกมากๆแล้วไปขายขายแล้วไปซื้อลูกกัวซื้อแพตซื้อแกตเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เอาไปแต่งงานแต่งงานแล้วก็มีลูกน่ะนั่งคิดนะเจ้าบังเจ้าบังพักอยู่นั่ น, นแหละนั่งคิดไปมีลูกมีลูกแล้วก็ น, น่ะแเราก็จะอุ้มลูกไปประกาวศเทเร่ ผุมประกาศว่าเต็มแ้วปุ่มประกาศทีนี้ระหว่างทางมันหนักบก็เปลี่ยนแล้วปุ่มนะให้ปริยาปุ่มใปริยาปุ่มแล้วเราปุ่มมันหนักก็ตนแรกก็แยกกันปุ่มพอหนักมาก็เปลี่ยนกันปุ่มนะก็าเลยทะเลาะ ก, กันระหว่างทเลาะ ก, กันเนีจิตใจมันรู้ไ ม, ม่ทันเขาเอาไอา้ก้านตาลฟาก็บไถ่ละอกไปฟาดลงไปก็ไถ่ลวก็รู้กาลังตามลึ ความคิดเล็กน้อยก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะความไม่รู้ก็ืออ่าก็พูดว่าเธอแต่รู้เพียงแตการความคิดตัวเองปรุงแต่งไปจนเราไปเล็กน้อยต้องตกใจตกใจปวดเงะนว่าพอเห็นแล้รู้ได้อย่งไรว่าเธอคิดนี้อ่ก็ให้รักษาให้รักษาความคิดตัวเองให้รักษาจิตตัวเองทีนี้อันนี้คือเกิดจากความไม่รู้แล้วมันปรงแต่งต่อไปปรุงแต่งี่จบเรื่องของเล่าละ โดยพะนักปฏินนบัติธรรมถึงะระดับหนึ่งที่คิดสมาธิมันดีแล้วน <c oughs> ความคิดมันจะเรื่องของเราคิดไม่กระท่อกระแทนคิดจบถึงเรื่องเรื่องพอสัมวิชาเกิดขึ้นสังข์มันเรารังขานปรุงแต่งต่อสังขา ร, ร, อนนขารพอสังขารปรุงแต่งปั๊บสัมผชาสังขารปรุงแต่งแล้ววิญญาณการรับรู้เข้ามาแท น, นรู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่าจะทําอะไรรู้ <c oughs> คือมันรู้อาการที่มันเกิดขึ้นทุก่งเลย กนะารรับรู้ก้วือจิญญานซึ่งจินยานก็มาจากสองคำวิบวกยาธานนะุวิก็คือ ว, วิเศษแก่ต่างยาวือการรับรู้ยาธาตุความรู้นะรู้รู้แกใ้ในเรื่องในเรื่องเนยแต่ท่านจินยานก็รู้แก้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะธรริชาสังขารจินยานแล้วเกิดอะไรขึ้นใ่ไมมมารูแล้วกว็เกิดน้ำลุน้ำผุในที่ตรงนี้เนี่ย ท่านหมายถึงสิ่งที่เราเห็นได้คือเราสมมุติว่าเรามองเห็นมองเห็นคุณครูน้อยมองเห็นเพื่อนนั่งยกมืออย่างเงี้ยเาต้องเห็นลูกนามเห็นลูกลูกธรรมรูปกับธรรมอาเนี้ยเห็นนามคือตัวรูปคือตัวตัวนามรูกคือเห็นเห็นลูกรแต่พอเราตาก็แล้วเนี่ยเรามองเห็นบ้านเรืเห็นบ้านไหเรื่งเ็นเรื่องเห็นเพื่อนตรงข้ามไหมถ้าเึกถึง นึกถึงแล้วนึกถึงเห็นพิรูกเป็นตัวเป็นตัวเราก็เรียกว่านามนามพุกเกิดขึ้นฉะนั้นการปูงแต่งสังขารเมเรื่เกิดปั๊บนามพูกเกิดทันทีเลยว่าสังขารปูงแต่งถึงเรื่องเราจะทำอ่าสิ่งนี้สิ่งนี้เสิ่ น, นี้ภาพมันปรากฏไปด้วยมันไม่ใช่คิดธรรมดาคือคิดไปด้วยภาพปราสฏไปด้วยนามพุกมันเกิดขึ้ น, นในจิตใจเราถ้ามองตะมองเห็นด้วยตาเรื่อเรู้นามเกิดแต่ถ้าหลับตาลงะนามพูกปรากฏเลยปรากฏ ปรากฏถ้าเห็นคนที่เราชอบก็มีสวยมีหล่อนะถ้าปรากฏเห็นคนเราเลียดเราไม่ชอบใจก็นะก็เกิด อ, อาฆาตพยาบาทเนื่อถึงว่าจะทำยังไงจะแก้แค้นหจองเวรนรืออะไรก็แตนะ่นามพูกเกิดันะ้ะนันแรกคืออภิชาติสังขารวิญญาณ น, นามพุกพอนามพุกเกิดแล้วนยะตัวต่อมาคือสารายะคนะ สลายจตนะแปลว่าอาจัตนะภายในอกภายในมันเกิดขึ้นสลายจตุรคือความเกิดขึ้นของอินระีที่มันรอรับรอรอที่จะกระทบรอที่จะรู้จะเห็นนะสลายจัตุรัสเกิดขึ้นแล้วลตัวต่อมาคือขาดสคือเราอยากพอสลายจัตุรเกิดขึ้นมันก็อยากจะมองอยากจะได้ยินอยากจะเห็นอีกอยากจะเห็นอยากจะ ได้ยน scores, ินอยากจะได้ฟังอยากจะได้เปลี Son, ่ยอยากจะลดในสิ <myślę> ่งที่มันต้องการในสิ่งที่ชอบหลังจากผัดสาแล้วอะไเกิดขึ้นอย่นี้เวทนาเกิดขึ้นนะเวทนาคือความสุขความทุกข์พอพอใจไม่พอใจเฉยเฉยนะถ้าพอใจก็มีสุขเวทนาถ้าไม่พอใจก็ทุกขเวทนาถ้าเฉยเฉยก็อาดทุกขวสุขเวทนาเฉยเฉยเมื่อเรามองมองอะไร มองสัตว์ถ้ามองนะมองสองต้นนี้ถ้าต้นนี้มันเป็นไม้พยูเริ่มคิดแนละ้วเห็นไหมโอ้ต้นไม้พยูเนี่ยมันต้องมีค่าแน่นอนเลยนะต้องอะไรต่างม้พยูไม้สัตรูถ้าเรามองให้เฉยมันก็มันอทุกขความสุขความเวทนามันไม่เกิดขึ้นมันเราเห็นสัตรูเห็นมันเหมัอนบริจาสุัตนให้บริกรรมฟังคือหลังจากที่อ่าสลายัตนะผัสษาแล้วเนือเวทนาเกิดขึ้น พอเวทาเกิดขึ้นปั๊บแล้วอะไรเกิดต่อาอีกตัญหาคือความให้ความอยากอย่างเช่นเราทานอาหารอาหารนีอร่อยนะคือมันมันผัดสะเนอะแหละไรไปทั้งหมดเลยนะคือผัดสะพอผัดสะแล้เกิดเวทนาคอใจเกิดคอใจในอาหารปั๊บแ้นมันก็อยากจะกินอีกนั่นก็เรีกาปัญหาปัญหาความอยากนะอยากจะกินอีก พออยากกินอีกเกิด อ, อะไรขึ้นอเอาตรงนี้ก่อนท่านถึงใช้คำว่ารสชาติเอาอาหารมันจื็ไปเอาน้ำปลามาหน่อยเอาไปปรุงหน่อยปรูรสชาติคําว่ารสชาตินยะปรุงเพื่อให้มันเพื่อให้มีรสรสแล้วก็เยินดีะรสแล้วก็เยินดีชาติแปลว่าเกิด เกิดความยินดีในรสชาติเกิดความยินดีในสิ่งนี้นะเขาเรียกว่าปรุงให้มันมีรสชาติถ้าใครติดเนืรสน่ยแปลว่าคนนั้นชาติจะต้องมาแน่นอนถึงเราถึงกลับมาเกิดอีกเนี่ยเพราะเราติดในรสชาติต้องชีวิตนะติดเนรสชาตินั้นปรารถนาขอพระเจ้านะเกิดชาติได้ขอให้มีแต่ความสุขความเป็นระเบียบให้รวยให้สวยให้งามเลยแล้วก็ติดในรสชาติต้งการเกิดนะฉะนั้นไม่ติดเราก็ปรุง ถ้าไม่สวยก็ไม่ปรุงของทุกวันนี้เขาก็ปรุงไปปรุงกันเย อ, อะดาลงดาไลาปรุงให้มันสวยปรุงหน้าตาแล้วกับปรุงอาหารนะเพื่อเพื่อให้รสชาติคนอื่นบองเขาเกิดรสชาติเกิดความสวยงามเกิดความพอใจในขณะเด็ดในตัวตัณหานะคื อ, อคือความอยากในสิ่งที่มันมีรมสอิ่มชาติดในสิ่งนั้นติดในสิ่งนี้เรีว่าตัณหา นะปัญหาคือยังเดียวเลมันดึงดึงเราไปดึงเราไปสู่ที่สุงนั้นอีกธรรมาอุปมาเหมือนกับเหมือนกับมือประมุกนะเอาอนี้เวลาเวลานั่นหรือแบบทำอะไรธรรมามีกุณสลบายสําหรับส่วนตัวเองไงนะนั่งไปนั่งไปทีนี้ระหว่างนั่งไปเนี่ยมันคิดเรื่องอะไรบ้างจิตเราจะเป็นมันจะไปเกาะเรื่องที่เราชังกับเราชอบสองอย่างได้ไหมเรื่องที่เฉยมันไม่ไปเกาะ นีมันมันคิดเรื่องนี้เราพยายามปดมือนี้มันปังมือปลดมือมัหมือนกนมันไปเกาะตรงนี้ยเราปลดออกแล้วก็หาวิธีปดมันด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นำบอกมันแล้วก็ไปติดแล้วแล้วตีตัวนี้ปลดตรงนี้นะครัแล้วก็จะให้มันไปอีกมันตีตรงนี้ปดตาเป็นปลดสินที่มันทักมันชอบมันชํานะเป็นปลดถ้านทักหกเกี่เรื่องนี่แหละปดให้ได้ปดแล้วตัวเองด้วยแล้วมันมันไม่มีที่เกาะมันก็ไม่ไปเกาะมันก็ไม่ไปยึด มันก็หมดต่ตัวยางเหนียวเท่านั้นหลวงพ่เทียนท่านออกมาให้ง่ า, ง <c oughs> ายใครเคยได้ยินท่านใช้ท่านหยิบกอ้อนดินขึ้นมาหยิบกอ้อนดินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วคว่างไปที่กาแพงนะท่านบอกว่าถ้าเราคว่างไปไปโดนแล้วมันําเหนียวมันจะจับปับ๊บบางทีเลยนั่นแป ล, ว, ลว่าท่านหามม้ยังมีอยู่ยางเหนียวไปติดนะคือไปคว่างไปตรงไหนก็ติดตรงนั้นนะปอใจมองเห็นอะไรก็ไปปรุงแต่งนะั้นได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งตนะ้งนั้น นะเกิดความพอใจพอใจขึ้นมาในการใช้เราเใช้ว่าให้อูมาเห็นธรรมนะแต่ว่าถ้ามันหมดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคว้วก้อนหินไปสู่ตั้งแพรงก้อเด่นกลับขึ้นมามันไม่มันไม่เกาะมันไม่ติดแต่ว่าถ้าเป็นอุปมาในในตําราถ้าอุปมาเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดพืชที่มันเกิดเนี่ยเพราะมันมีเขาเอาว่ามีอะไรมีตาอยู่และมียางอยู่ถ้าเอาตาเอายางออก ด้วยการผ่านคลงร้อนก็ตามไปเขาก็ะตามมันจะไม่เกิดอีกมันหมดหมดอย่างและหมดตังหานะเหมือนเวลาคนตายเราจะเห็นใช่ไหมหนุ่มเวลาคนตายเขาไม่รู้มันเหมือนกันหรือเปล่านะเขาเอาไอ้ข้าวข้าวแล้วข้าวข้าวตอกแล้วตอนเวลาแห่รอบเวรแห่ว่าเขาจะโยนไปก่อนที่นี่เขาทำหรื้เปล่าไม่มีใช่ไหมแต่ทางภาพ พักกลางไอ้สามเขาทำกันนะฮะคนตายเขจะขั้วเข้าเ ข, ข้าเปลือเลยขั้วไปเข้าตออ่าแล้วก็เดินโปยไปโปยไปก่อนแล้วคนเห็นก็ไปคิดเหรอว่าโปรยเท่าไห่ทำตอกต้ตตตนไม้เฉยแต่อันนั้นท่านบอกว่าให้ทําตนประดุลว่าหมดปัญหาแล้วแม้ว่าโยนไปเท่าไหร่ถูกน้าถูกนาดีถูกดินดินเรียงไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิด เพราะมันหมดยางแล้วชีวิตนี้ก็ว่างไรแต่ น, นี่คือท่านมาให้เห็นว่าเหมือนกับเรื่องตื่นหมดยางทีนี้อันที่สองต่อมาแล้วอยับตั้หาแล้วเกิด อ, อุปปาทานเข้าไปยึดอุปปาบวกทาทานเนี่ยเาให้เนี่ยทานทานให้แต่อุปปามื่อยู่ข้างหน้าอุปปาอุปปาคืออุปสรรคถ้าอุปปมืออยู่ข้างหน้ามัจะกลับเปกลับความบางทีเยกายม็นให้กายปันยิดเอา อ, อุปปาะเข้าไปยึด มันอุปชาจะบวชต้องมีอุปชาชาเพื่รารู้อุปปาเข้าไปอยู่แล้วก็แปลว่าเข้าไปให้ความรู้เข้าไปใกล้ไหมทำไป็นสามคำอุปาเนีฉะนั้นอุปาทานก็เข้าไปยึดไปถือเอานะอุปทานยึดเข้าไปเป็นของฉันนะพอยึดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพบก็มีความมีความเป็นแต่ไ่เนี่ยอันนี้สามมีฉันอันนี้ลูกฉันนะอันนี้ของฉันนะอัน้นบ้างแทนอันนี้ ของชั้นหมดกลายเป็นความมีเป็นมีมีชั้นเป็นชั้นไปเป็นเปิดเป็นเป็นอัตตาตัวตนหนักหนักขึ้นไปอีกนะหลังจากเป็นความมีความเป็นเขาเรียกว่าภาวะภพนะพอมีความมีความเป็นแล้วเกิดชาตินะชาติแปลว่าการเกิดแล้วก็พอมีชาติแล้วก็มีชรามีมรณะมรณะคือมีการเกิดก็ต้องมีการแก่ ชาลาแปลว่าการเสื่อมชรานี่ก็ว่าเสื่อมเลตาเสื่อมผิวเสื่อมสมองเสื่อมทุกอย่างก็เริ่มเสื่อมลงล่ะั้งไทรชาลาตรงนี้คือผิวหนังก็จะเสื่อมลงไปตาก็จะเสื่อมฝ้าฟาลงไปหูฟันอะไรก็เสื่อมเริ่มเสื่อมไปเรื่อยชาลาชลายชาลาชาาก็เตรียมที่จะเดินทางไปที่อื่นเพื่อจะชลายแล้วก็สุดท้ายก็มรนะนะ่ะ ทีนี้อันนั้นเป็นเป็นการเกิดของสังขารรูปก็ตามเหมือนกันะการเกิดของจิตเหมือนกันเกิดแต่ความไม่รู้คิดคิดไปจบคิดเรื่องอื่นจบเรื่องอื่นมันจะหมุนไปนี่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่มีสิ่งนี้มัมีในสิ่งที่เกี่ยวกับจิตใจของเราเอันนี้ก็คือปฏิจสธสว่างที่เราดูกับคิดประจำวันถ้าขณะที่เรายกมือเนี่ยขณะที่เรารู้ รู้ความคิดรู้ว่าไม่คิดรู้ว่าว่ารู้เฉยๆเน่ยนะตัวนี้ก็อวิชาเกิดไม่ได้แต่พอมันหลงคิดปั๊บอวิชาเกิดนะแต่ว่าพอเกิดมาแล้วสังขารวิญ ญ, ญาณอวิชาสังขารวิญญาณนามผู้ชราท่านนั้นจะต่อไปหรือเปล่าขึ้นอยู่กับ ว, ว่าเรารู้เท่าทันไหถ้ารู้เท่าทันมันก็ไปมันก็ไปจดตรงที่ผัดศัพท์เวทนาให้เกิด นะถ้าตัวเองดับก็ดับไปถ้าดับแล้วจะดับตัวไหนทำเท่านั้นเองดันั้นเราก็ลองศึกษาดูเรางเอาูกจะว่าอย่าไปนั่งคิดแล้วทั้งวันน่ะไม่ต้องไปคิดอะที่บอกให้ฟังที่เราเลือกจิตวิสุทธิกรรมเพราะว่าให้เรารู้ตอนที่มันจะเกิดเนี่ยให้รู้ชัดพอรู้ชัดแล้ววิเ ช, ช้าเกิดไม่ได้นะวิเช้าเกิดไม่ได้เราก็ไม่หลดส่วนวถ้าถามว่าเอาแล้วเราจะคิดทํามากินคิดยังไง ไม่ต้อกลัวนะคนเราโดยธรรมชาติมันไม่ยอมให้ตัวเองนะั้นระวังมันยอมให้ตัวเองตายแน่นอนแล้วเวลาคิดมันคิดได้เร็วได้ไวได้ทันเหตุทันการเลยทันสิตถ้าเกี่ยวนั้นนี้นก็คือเรื่องจิตวิญญาณแล้วพูดค้างธรรมชาติว่านิดหนึ่งรอกเรื่องจะรู้ได้ไงว่าพบหน้าพบหน้าจริงจริงเราไม่รู้หรอกแต่ว่าอูมาจาก ขึถามกับขึ้นไปว่าอันนี้พระนักเกษตจอ่ระพร ะ, พระนัาเสด็จตอบพระเจ้าวิณฑบาตมหาประพิษเ ม, ม, มื่อ ว, วานนี่มีไ ห, ไหมถามเมื่อ ว, วานเนี่ยมีไหนเรื่องไหนแล้วเมื่อวานเนี่ยมาผ่านไปแล้วเมื่อวานเลยแล้วพรุ่งนี้มีไหมมีเรื่องไหนแล้วพรุ่งนี้อ่ะคือมันคือมันเป็นการเนี่ยเหมือนกันอ่ะพวกนี้พวหน้าเมื่อวานนี้พรุ่งนี้เหมือนกันแล้วแล้ววันเนี้ยที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ย นีคือพวกทีเราอยู่คือเราเลยรู้ว่าวันนี้มี ม, มีเพราะอะไรเพราะเราจะต้องไปทางข้าวแล้วจะตื่นมาต้องอาบน้ำจะต้องทําอะไรนี่อันนี้ชาตินี้มีเพราะวันนี้มีนะวันนี้เราทําอะไรตั้งแต่ตื่นมาเราเห็นตั้งแต่เล็ก เ, เป็นน้อยเราจะสังเกตแล้วครัอะไรบ้างแต่ว่าวานันนี้เราเริ่ ม, มาวาันนี้ก็นไหนก็ทำเหมือนกันเ่ยแต่ต้องผ่านไปแล้วเราเอาไม้ยืนยันด้วยไม่ได้ทด่านหลวงปมายอย่างเนี้นะแต่ว่ามันเห็นภาพชาัดเจนทัง้งีม นะขออนอนฉะนั้นวันนี้ต่อคาจะได้ปฏิบัติรุวมกันอีกนะทั้งวันเดินลุ้นแหลปะไม้จับมือรองพอแล้วกลับมาแล้วตั้งสามโมงบ่ายสามต้อกลับมากรุงเทพนะบ่ายสามบายสี่ต้องมาออกเดินทางกลับกรุงเทพนะแล้วก <Yes. S 1> ็ไปทํา hmm. ธ <Muk ano, S 2> ุระนิดหน่อยแล้วก็นิเกตก็เดินทางกลับอเมริกาแล้วมาในอยู่นันก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไม่เตรียมตัว ยังทดลองเองเลยดังนั้นวันนี้ก็ขอสมุทรนาสาธุกับนักปฏิบัธรรมทุกท่านทุกคนสิ่งที่เราบำเพ็ญมาบุญเลยบุศสนใดบารมีใดหลายภพหลายชาติที่เราทํามาขอเป็นตบะพระปัจใจเอามาใช้พบในชาตินี้แล้วก็ขอให้เป็นพระะวะให้เราได้สิ้นสุดธรรมขององค์เสด็จทศนาสุภเจ้าในอริยสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวง แล้วก็จะได้พ้นทุกพ้นโศพ้นโรคหมดภัยด้วยกันทุทกคนคือ